แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีสงให้วุฒานสมมติแก่ศิกขมานาผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแล้วภิกษุทั้งหลายทรงเพิ่งให้วุฒานสมมติอย่างนี้